ความหลังในสังสารบทที่8ปขายนาซื้อพระนิพพานอดีตมหาปริียนรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของสมพานวัดป่ามะม่วงยิ่งนัก เขาขยีบเข้าไปใกล้ท่านกราบที่เท้าท่านสามครั้งอย่างสำนึกในพระคุณเขากลัวตายมาสิบปีเต็มมาบัดนี้เขาไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเจ้าอาวาสที่ถูกฆ่าคงจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้วท่านทั้งสองจะต่อเวรกันในพบต่อๆไปอีกหรอไม่หนอบุรุษวัย45้าอยากรู้แต่ไม่รู้ ส่วนท่านพระครูไม่อยากรู้แต่รู้จึงพูดเป็นก ล, งกลางๆตามหลักของกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขานั่นแหละถ้าเขาระลึกได้ให้อภัยคนที่ฆ่าเขาเพราะคิดว่าตัวเองไปฆ่าเขามาจึงต้องถูกเขาฆ่ า, ขาเขาก็จะไม่จองเวรกับคนที่ฆ่าเขาแต่คนที่ฆ่าจะต้องมีเวรต่อไปคือ ถึงแม้จะไม่ถูกคนที่ตนฆ่าไปเกิดใหม่แล้วกลับมาฆ่าแต่เขาก็ต้องรับเวรที่เกิดจากการฆ่านั้นคือต้องไปตกนรกแล้วจเจ้าอาวาสของผมท่านรู้ไหมครับว่าท่านเคยฆ่าจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันไว้ด็กเตอร์แผนเรียนถามเพราะเขามั่นใจว่าจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงต้องรู้ เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเห็นบรรพชิตที่เก่งทุกเรื่องเช่นท่านเขาคิดว่าพระสมฆ์เก่งๆเช่นได้อภิญยาห้าอภิญยาหกได้วิชาสาวิชา8จะมีอยู่เฉพาะในคัมภี์เพิ่งมาพบนอกคัมภีรที่วัดป่ามะม่วงนี่เองตอนแรกท่านไม่รู้แต่เมื่อกำลังจะขาดใจ ท่านก็เห็นนิมิตที่ตัวท่านกําลังใช้เหล็กแหลมแทงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเรื่องนี้เกิดตั้งแต่สมัยสุขโข ท, ทัยพอดีอาตมาเกิดในสมัยเดียวกับท่านเลยจําหน้าท่านได้ท่านพูดยิ้มยิ้มเพราะเรื่องที่พูดจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเพื่อจะลองใจคนฟังว่าจะเชื่อทั้งหมดหรือเชื่อครึ่งหนึ่งท่านรู้ว่าด็อตอร์แผนเชื่อทั้งหมด เพราะเขาศรัทธาท่านเกินร้อยซึ่งท่านเห็นว่าไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นจึงสอนว่าอยติโยมทั้งหลายอย่าเชื่อทั้งหมดที่อาตมาพูดนะให้ปฏิบัติตามคำสรงสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนชนชาวกะละมะว่าไม่ให้เชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผลอาตมาตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาหาอาตมานี้พวกเชื่อง่ายก็มี ไม่ว่าอาตมาพูดอะไรเขาเชื่อหมดอาตมาพูดเล่นเขาก็เชื่อแล้วเป็นอย่างไรรู้ไหมไม่ต้องตอบก็ได้เดี๋ยวจะเสียเวลาอาตมาวิจัยออกมาแล้วว่าพวกที่เชื่อง่ายนั้นสอนยากที่สุดอีกพวกหนึ่งเชื่อยากพูดอะไรก็ฟังไว้ก่อนแต่ยังไม่เชื่อ พอเข้าลงมือปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังด้วยตัวเองแล้วจึงเชื่อพวกหลังนี่สอนง่ายอัตมาจึงเอามาเขียนเป็นตำราว่าคนเชื่อง่ายสอนยากคนเชื่อยากสอนง่ายและด็อตอร์ละ่ะเชื่อง่ายหรือเชื่อยากท่านถามด็เตอร์แผนสงสัยว่าจะเชื่อง่ายครับหลวงพ่อพูดอะไรมาผมเชื่อหมดทุกอย่าง สงสัยผมจะเป็นคนสอนยากแล้วกระมังท่านเจ้าของกุฏิรีบรับรองว่าถูกแล้วเชื่อง่ายอย่างนี้สอนยากแน่นอนต้องอย่าเชื่อง่ายสิพระพุทธองค์ทรงสอนหลักความเชื่อสิบข้อแก่ชนชาวกละลมะข้อที่สิบพระองค์ตรัสว่ามาสัมโนโนคุติอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา เห็นไม่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าแม้เป็นพระองค์ก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อแต่ดอกเตอร์เชื่อที่อาตมาพูดหมดแบบนี้ยังใช่ไม่ได้อาตมาจะขอบอกว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายเดี๋ยวจะสอนยากอาตมาจะลองว่าเป็นภาษาบาลีบ้างมาอาจาริโยเมครุติอย่าปลงใจเชื่อโดยนับถือว่า ท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นครูของเราอาตมาแต่งประโยคถูกหรือผิดท่านถามอาดีตป ร, รียนธรรม7ประโยครู้สึกว่าถูกนะครับพอดีผมแค่ป ร, รียนธรรมเจประโยคเอาไว้จะถามป ร, รียน9ประโยคแล้วจะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบนะครับดรแผนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ท่านพระครูจึงย้อนกลับไปพูดเรื่องจะอาวาสสององค์ ที่เป็นคู่เวรกันเพราะยังอธิบายไม่จบเมื่อตะกี้ที่อาตมาพูดว่าอย่าเชื่อทั้งหมดที่อาตมาพูดก็คือที่พูดว่าอาตมาเกิดสมัยเดียวกับเจ้าอวาดเลยจำหน้าท่านได้อาตมาต้องการจะลองใจด็อกเตอร์ว่าจะเชื่อทั้งหมดหรือไม่ ปรากฏว่าด็อกเตอร์เชื่อทั้งหมดแสดงว่าเป็นคนเชื่อง่ายแล้วคนเชื่อง่ายเป็นอย่างไรไหนญาติโยมลงตอบพร้อมๆกันซิสอนยากครับสอนยากค่ะดีมากตอบพร้อมเพียงกันดีมากต้องพูดเสียบ้างฟังอย่างเดียวประเดี๋ยวจะง่วงจริงไหมท่านถามตามความเคยชินไม่ได้ต้องการคําตอบ หากญาติโยมก็ตอบอย่างพร้อมเปรียงกันว่าจริงครับจริงค่ะท่านรู้สึกขำจึงยิ้มกว้างเพราะปากท่านกว้างญาติโยมได้เห็นรอยยิ้มกว้างของท่านต่างพากันประทับใจและลงความเห็นในใจแบบเดียวกันโดยไม่รู้กันว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงยิ้มสวยที่สุดในโลกส่วนด็กเตอร์แผนแอบวิจัยในใจว่า หลวงพ่อยิ้มสวยที่สุดในโลกและเป็นยิ้มที่มีคุณค่าคือมีทั้งคุณและค่ามีคุณคือมีการุณาคุณเพราะท่านยิ้มด้วยคุณคือการุณาสงสารคิดจะช่วยเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้พ้นจากทุกข์จากปัญหาที่มารงเรา้าส่วนค่าของยิ้มท่านนั้นเป็นค่าในตัว คือมาจากจิตใจที่ปราศจากโลภะโทสะและโมหะเป็นค่าที่สูงล้ำอย่างที่มิอาจวัดได้ด้วยเงินทองเพชรนินจินดาหรือของมีค่าใดๆในจักรวาลผิดกับยิ้มของนางงามบนเวทีการประกวดที่ยิ้มเพื่อต้องการคะแนนจากกรรมการและเพื่อค่มคู่แข่งที่เข้าประกวดด้วยกัน เพื่อหวังจะได้ค่าที่ตีออกมาเป็นเงินทองข้าวของเช่นมงกุฎฝังเพชรและเงินรางวัลอันเป็นค่านอกตัวจึงเป็นยิ้มที่เจือด้วยโลภะโทสะและโมหะครบท้วนด็อเตอร์เก็บงานวิจัยเรื่องยิ้มไว้ก่อนอาตมากำลังจะบอกด็อกเตอร์ว่าอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อทั้งหมดเชื่อไว้ครึ่งเดียวก่อนอย่างที่อาตมาพูดเมตกี้ว่า อาตมาเกิดสมัยเดียวกับท่านเจ้าอาวาดรูปนั้นอันนี้เชื่อได้แต่ที่พูดว่าจำหน้าท่านได้นั้นอาตมาล้อเล่นเพราะต้องการสอนด็อกเตอร์ว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูคนเราเกิดมาจะหน้าเหมือนกันทุกชาติเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะเกิดเป็นผู้หญิงทุกชาติหรือผู้ชายทุกชาติก็เป็นไปไม่ได้อีก อาตมาจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างด็อกเตอร์เนี่ยชาตินี้เกิดเป็นลูกบ้านนี้ก็หน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่บ้านนี้พอตายไปเกิดเป็นลูกบ้านโ น, น้นก็หน้าตาเหมือนพ่อแม่บ้านโ น, น้นเข้าใจไหมถ้าเกิดบ้านนี้แล้วหน้าไปเหมือนบ้านโ น, น้นก็ยุ่งนะสิแล้วจึงพูดกับด็อกเตอร์แผนโดยเฉพาะว่า ตกลงนะด็อกเตอร์อย่าเป็นคนเชื่อง่ายให้เชื่ อ, อยากๆเข้าไว้แล้วจะปฏิบัติได้ผลคนที่เชื่อง่ายใครว่าสำนักโนนดีสำนักนี้ดีก็ตามเข้าไปปฏิบัติที่วัดนี้เจ็วันไปวัดโนนเจ็วันวัดน้นเจ็ดวันเลยไม่ได้อะไรเข้าใจไหมเข้าใจครับบุรุษวัย4 5้าตอบ พร้อมกับประนมมือขึ้นหลวงพ่อคะด็อเตอร์ไม่ทำตามกติกาคะ่ะเมื่อกี้บอกว่าจะสรุปให้สั้นได้นี่ก็ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่สรุปอยากจะขอว่าสรุปได้แล้วคิวยาวนะคะสุภาพสตรีที่จำเก่งและจับผิดเก่งทักท้วงขึ้นด็อเตอร์แผนจึงพูดว่าครับผมต้องขออภยัยเรื่องของผมจบแล้วครับ ฝากท่านสรุปเป็นการบ้านด้วยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วกราบเรียนท่านเจ้าของกุฏิว่าผมขออนุญาตนั่งฟังนะครับได้ประโยชน์มากทีเดียวหากผมมีความสามารถสักวันหนึ่งอาจจะทำอย่างหลวงพ่อได้ผมอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่คงต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากกว่านี้ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติพูดด้วยจิตใจที่บริสุทธ ไม่ได้หวังองมิตรสินจ้างแต่ประการใดเจ้าทุกรายที่สี่เป็นสตรีวัยเบญจเพศหลอนกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเริ่มเรื่องหลวงพ่อคะหนูจะมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าคุณยายของหนูตายไปเกิดที่ไหน แล้วหนูจะทำบุญไปให้ยายได้ด้วยวิธีใดคะยายหนูเป็นอะไรตายล่ะจ๊ะเป็นลมตายค่ะพอดียายไปถูกพระหลอกพระวัดหล่อนเอ่ยชื่อวัดดังวัดหนึ่งที่มีคนนิยมไปบวชชีพราหมณ์กันมากอ้าวพระอีกแล้วหรือสามรายแรกกอบพระนี่ก็พระอีกแล้วทำไมถึงให้พระหลอกได้ละ่ะท่านถามคนฉลาด แต่มียายไม่ฉลาดคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนูเป็นลูกกาพร้ามีพี่ชายคนหนึ่งตอนนี้อายุ30ปีแม่ตายตั้งแต่หนูกับพี่ชายยังเด็กพี่ชายจำหน้าแม่ได้แต่หนูจำไม่ได้เห็นแค่รูปที่ยายให้ดูบอกว่าเป็นรูปแม่หนูยายเล่า ว, ว่าแม่เป็นลูกสาวคนเดียวของยายแต่งงานกับพ่อได้8ปี พ่อก็ไปมีเมียมใหม่และไม่กลับมาหาพวกเราอีกเลยแม่ก็เครียดเรื่องพ่อจึงกลายเป็นมะเร็งปีต่อมาก็ตายยายก็เลี้ยงหนูกับพี่ชายมาจนโตยายมีสมบัติมากมีนาที่รังสิตห้าไร่ได้ทำพินัยกรรมยกให้หนูกับพี่ชายคนละ25ไร่ตอนนั้นพี่ชายอายุ20ปีหนูอายุ15ปี ต่อมายายบอกว่าแก่แล้วจะเข้าวัดยายก็ไปบวชชีพรามที่วัดนี้หล่อนหลับตาถอนหายใจหนึ่งครั้งจึงเล่าต่อวันหนึ่งยายกลับมาเล่าว่าพระบอกว่ายายปฏิบัติไปได้ไกลแล้วอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงพระนิพพานแต่ยังติดอยู่อีกนิดเดียวยายก็ถามว่าติดอะไรพระบอกว่าติดที่ ท, ทรัพย์สมบัติ ยังมีทรัพย์สมบัติทวงอยู่เราไม่สามารถเอาสมบัติไปนิพพานด้วยได้ต้องขายสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็นำเงินไปทำบุญกับท่านท่านจะนำเงินยายไปสร้างทางพระนิพพานให้ยายกลับมาบ้านก็เล่าให้หนูและพี่ชายฟังและขอนาคืนยายจะนำไปขายพี่ชายโกรธยายมากบอกว่ายายถูกพระหลอก ยายก็โกรธพี่ชายหาวเนรคุณในที่สุดยายก็ขายนาไปทั้งห้าสิบไร่ราคาไล่ละห้า0 0 0บาทเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ยายให้หนูกับพี่ชายคนละหนึ่งล้านพี่ชายไม่เอาบอกว่าจะเอานา25ห้าไร่ยายก็เลยให้หนูคนเดียวสองล้านแต่หนูก็ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ให้พี่ชายตอนเขาหายโกรธยายแล้ว ตกลงยายมีเงินเหลือหลังจากหักภาษีและให้หนูแล้วประมาณ20ล้านเศษยายก็เก็บเศษไว้ในธนาคารแล้วก็นำเงิน20ล้านไปถวายพระรูปนั้นเพื่อนำไปสร้างทางพระนิพพานให้แต่หลวงพ่อคะหลอนหลับตานิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วลือมตาเกิดอะไรขึ้นเล่าต่อไปเถอะหนูมีอะไรช่วยได้หลวงพ่อก็จะช่วย ท่านพระครูพูดปลอบใจหล่อนเรียกหล่อนว่าหนูและเรียกท่านเองว่าหลวงพ่อหญิงสาวรู้สึกได้กำลังใจจึงเล่าต่อยายนําเงินไปถวายท่านโดยท่านแนะนําให้ซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คในนามของน้องสาวท่านท่านบอกยายว่าท่านต้องไปทําพิธีที่ต่างจังหวัดเจดวันระหว่างนั้นยายไม่ต้องมาวัด แต่สำหรับญาติโยมคนอื่นๆมาได้ตามปกติเพราะไม่ได้ทำพิธีให้ทำให้ยายคนเดียวพอวันที่8ยายไปวัดก็ไม่พบท่านจึงไปถามเจ้าอาวาสและเล่าเรื่องให้ฟังเจ้าอาวาสบอกว่ายายถูกพระรูปนี้ต้มแล้วเพราะท่านได้มาลาสมพานบอกว่าจะกลับไปลาสิกขาที่วัดบ้านเกิดแล้วก็จะแต่งงาน ยายก็เป็นลมตายอยู่ที่วัดในวันนั้นเลยค่ะหนูก็เสียใจทําอะไรไม่ถูกส่วนพี่ชายยังโกรธยายอยู่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบปีแล้วหนูอยากไปปรึกษาพระว่าจะทําบุญให้ยายได้อย่างไรดีแต่ก็ไม่กล้ากลัวประวัติซ้ารอยพอดีอาจารย์ของหนูท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านรับประกันว่ามาวัดนี้ไม่ถูกหลอกแน่ บังเอิญท่านติดสอนจึงไม่ได้มาด้วยท่านพระครูพูดขึ้นว่าให้หลวงพ่อเล่าต่อก็ได้นะยังไม่ทันจบดีหลวงพ่อจะบอกให้ว่าผู้หญิงที่เขาว่าเป็นน้องสาวนะ่ะคือภรรยาเขาแต่ยังใช้นางสาวเพราะไม่ได้จดทะเบียนพอได้เงินมาเขาก็พากันไปเล่นการพนันที่ปอยเปดชายแดนไทยเขมร ตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวแล้วเพราะถูกผีการพนันหลอกเสียหมดตัวเลยไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกหนูชาตินี้เขารับกรรมแล้วคือกลายเป็นคนกระจอกงอกง่อยพอชาติหน้าก็ต้องไปนรกอีกนี่แหละเขาเรียกว่ามาสว่างแต่ไปมืดภาษาบาลีว่าโชติตมะปายโนท่านถือโอกาสสอนภาษาบาลีให้ด้วย ถึงผู้ฟังจะฟังไม่รู้เรื่องก็ให้ชินหูเข้าไว้เพราะเป็นภาษาที่พระบรมศาสดาทรงใช้ในการเผยแผ่พระศาสนาแล้วยายหนูไปเกิดที่ไหนคะหลอนกรบเรียนถามท่านพระครูรู้ว่าหลอนเป็นคนใจแข็งหากบอกไปตามตรงก็ไม่ทําให้หลอนถึงกับช็อกตายตามยายไปท่านจึงบอก ยายข้องหนูนำหน้าพระรูปนั้นไปก่อนแล้วนำไปไหนค่าหลวงพ่อหล่อนไม่เข้าใจญาติโยมก็ไม่เข้าใจยกเว้นด็ตอร์แผนก็นำไปนรกในละ่ะแล้วจึงบอกญาติโยมณ์ที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายจาไว้นะให้สมบัติลูกหลานไปแล้วห้ามทวงคืน ถ้าทวงคืนตายไปตกนรกเลยนะถ้าไม่ตกนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเหมือนคุณยายแดงเจ้าของตลาดท่าโพที่แบ่งมาให้ลูกแล้วไปขอคืนพ่อเป็นเปรตก็ไปเข้าเด็กที่บางมะยมเขารู้ว่าอาตมาได้รับนิมนต์ไปงานทําบุญบ้านที่บางมะยมเลยไปเข้าเด็กเอาเด็กเป็นร่างทรงเพื่อสื่อสารกับอาตมาสมัยแกมีชีวิตอยู่ แกเคยเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นที่วัดนี้สามปีติดๆกันถ้าไปเกิดเป็นเปรตอาตมาช่วยได้แต่เขาต้องมีทุนเดิมอยู่อย่างน้อยร้อยละแปดสิบวิธีช่วยก็คือกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้บัตรนี้ไปเกิดในสวรรค์แล้วเพราะเขาทำบุญมามากพยันทำบุญถ้าไม่ไปทวงสมบัติจากลูกชายก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต ที่หนูเล่ามาเนี่ยหลวงพ่อก็มีตัวอย่างนะจะฟังไหมละ่ะฟังค่ะแต่ก่อนฟังหนูขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูจะช่วยยายขึ้นจากนรกได้ไหมคะหญิงสาวยังเป็นห่วงผู้เป็นยายทั้งที่รู้ว่ายายไม่ฉลาดได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหนูเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกวิธีให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก่อนและท่านจึงเล่าเรื่องที่คล้ายคลึงกันนี้ มีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกเพื่อนที่สอนอยู่โรงเรียนเดียวกันไปโดนพระหลอกเขาเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อยังมาหาว่าเขาขัดบุญเขาก็เลยต้องคอยดูอยู่เฉยๆเพราะจะตักเตือนเท่าไรก็ไม่ฟังเขาก็ไปฟังพระวัดหนึ่งรายนี้เป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่พระลูกวัดเจ้าอาวาสรูปนี้ถ้ารู้ว่าใครมีเงิน ท่านก็จะต้อนรับอย่างดีใครไม่มีเงินท่านก็รังเกียจไม่ค่อยจะต้อนรับขับสู้คนที่เข้าวัดนี้จึงมีแต่คน ร, รวยๆผิดกับวัดอาตมาที่ไม่อยากรับคนรวยรับแต่คนจนๆแล้วอาตมาก็เสกให้คนจนกลายเป็นเศรษฐีญาติโยมก็พากันหัวเราะคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนรู้สึกมีกำลังใจ และคิดว่ามาถูกวัดแล้วอา้าวอย่าหัวเราะสิแล้วกันมาหัวเราะอาตมาได้หรือท่านทําท่าขึงขังแล้วจึงเล่าต่ออาจารย์คนนี้เขาก็เล่าว่าเพื่อนเขารวยสามีไม่รวยแต่เป็นคนดีเขามีลูกสาวคนหนึ่งส่งไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนเขาก็ทำบุญแหลกไปเลย เพราะว่าเจ้าอาวาสบอกว่ายิ่งทําบุญมากก็ย่อมเข้าใกล้พระนิพพานได้มากสามีเขาบอกว่าให้ทําพอสมควรดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ซื้อบุญหรือซื้อพระนิพพานต้องปฏิบัติถึงจะได้เราก็ว่าสามีดูถูกสามีว่าไม่มีเงินทําบุญอย่างเขาก็เลยมาเกตกันเพราะความอิจฉาสุภาพสตรีจาเก่งและจับผิดเก่งถามขึ้นว่า หลวงพ่อรู้จักสามีเขาเหรือคะไม่รู้จักกรอกแม้แต่เขาอาตมาก็ไม่รู้จักแต่ที่เล่ามาเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เป็นเพื่อนเขาและสอนโรงเรียนเดียวกันมาเล่าให้ฟังเล่าที่กฏฐินี่แห ล, ละแล้วเชื่อได้หรือคะคือดิฉันหมายถึงว่าเขาอาจอิจฉาเพื่อนก็ได้เลยนำเรื่องโกหกพกลมมาเล่าในที่สาธารณะท่านพระครูจึงสอนคนจาเก่ง และจับผิดเก่งว่าโยมฟังอาตมานะอาตมาอยากจะเตือนโยมว่าอย่ามองคนในแง่ร้ายเพราะเท่ากับสร้างบาปให้ตัวเองจริงอยู่เมื่อตกีอาตมายกตัวอย่างในกลามาสูตรให้ฟังที่พระพุทธองค์ทรงสอนชนชาวกลมะไม่ให้เชื่องมงายไร้เหตุผลคืออย่าปลงใจเชื่อทั้งหมดให้เชื่อครึ่งหนึ่งก่อน แต่นิยมล้ำเส้นคือไม่เชื่อเลยทำราวกับว่าจะจับผิดอย่างเดียวเอาละ่ะอาตมาอยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าถ้ามีใครมาเล่าอะไรให้อาตมาฟังอาตมาจะรู้ทันทีว่าจริงหรือเท็จถ้าจริงก็จะฟังแต่ต้องจริงด้วยประโยชน์ด้วยถ้าจริงแต่ไม่มีประโยชน์อาตมาก็ไม่เสียเวลาฟังเพราะเวลาของอาตมามีค่ามาก และในไหนอาตมาก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วอาตมาก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่มนุษ ย, ยชาติทุกเวลานาทีจะไม่หายใจทิ้งท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อถ้าใครมาพูดเรื่องโกหกหรือเรื่องเลวหลายไรสาระอาตมาจะบอกเลยว่าอาตมาไม่มีเวลาฟังให้เข้าไปพูดที่อื่น แล้วอย่าหาว่าอาตมาอวดเก่งอวดรู้แต่อาตมาทำได้จริงจริงญาติโยมก็ทำได้ถ้าฝึกจนถึงขั้นคือคนที่จะมาพูดเรื่องโกหกดูง่ายนิดเดียวแค่อ้าปากจะพูดอาตมาก็บอกว่าไม่ฟังโยมอยากรู้ไม่ล่ว่าทำอย่างไรจะรู้ว่าใครพูดจริงพูดโกหกไม่ยากเลยอยากรู้ครับ อยากรู้ค่ะญาติโยมตอบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งด็อกเตอร์อยากรู้ไหมท่านถามด็อกเตอร์แผนเพราะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ตอบว่าอยากหรือไม่อยากผมกำลังตั้งใจฟังเต็มที่เลยครับบุรุษวัยส5ตอบท่านเจ้าของกุเตจึงบอกเคล็ดลับในการจับโกหกว่าวันนี้จะบอกขั้นพื้นฐานให้ญาติโยมไปฝึกก่อน ไรผ่านขั้นพื้นฐานแล้วค่อยมาต่อขั้นกลางและขั้นสูงสุดไม่ยากหากเราฝึกเจนเคยคุณสำคัญฝึกย่อๆแยะๆแล้วบอกยากใจไม่สู้แบบนี้ก็จบกันจบกันแปลว่าอะไรคะสุภาพสตรีที่คงเป็นลูกคุณช่างถามถามอีกท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงโยนกลองไปให้ด็อเตอร์แผน ดอกเตอร์ช่วยตอบคำถามโยมเขาทีอาตมาจนปัญญาแล้วอะไรกันดิฉันถามเรื่องง่ายง่ายแค่นี้หลวงพ่อก็ตอบไม่ได้ต้องขอให้ดอกเตอร์เป็นคนตอบดอกเตอร์แผนไม่อยากตอบกรอนกับหลอนด้วยรู้สึกว่าปัญญาหลอนค่อนข้างนิ่มอีกประการหนึ่งเขาไม่ต้องการแสดงตนว่าเก่งกว่าท่านพระครูและประการสำคัญที่สุดก็คือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จบกันนั้นแปลว่าอะไรเพราะใครฟังก็เข้าใจโดยไม่ต้องแปลจึงบอกหล่อนว่าขนาดหลวงพ่อท่านก็แปลไม่ได้และผมจะแปลได้อย่างไรล่ะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อคุณบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆก็ช่วยแปลให้พวกเราฟังเป็นธรรมทานด้วยก็แล้วกันท่านพระครูรู้สึกพอใจในการโต้อตอบของด็ตอร์แผนต้องให้ได้แบบนี้ถึงจะสมกับเป็นดร ดิฉันก็แปลไม่ได้ค่ะเพราะมันง่ายเกินไปดิฉันถนัดเรื่องยากๆค่ะพูดแล้วก็หัวเราะคิกๆอยู่คนเดียวทั้งที่ไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นทุกรูปทุกนามไม่เว้นขลือหัดหรือบรรพชิตต่างคิดในใจพร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมายว่าสติดีอยู่หรือเปล่านี่ท่านพระครูจึงอธิบายต่อเพื่อประโยชน์ของชนหมู่มากไม่สนใจสุภาพสตรีที่หัวดือ้อเสยยิ่งกว่าแมวขั้นพื้นฐานที่ญาติโยมจะต้องไปฝึกก็คือให้นับลมหายใจเข้าออกให้ได้ร้อยครั้งหายใจเข้ายาวๆจากจมูกถึงสะดือ แล้วหายใจออกยาวๆจากสะดือถึงจมกูกเสร็จแล้วนับหนึ่งถ้าใครหลงต้องเริ่มต้นใหม่แม้จะนับได้เก้าสิบ้าแล้วบังเอิญหลงไม่แน่ใจว่าเก้าสิบเก้าหรือเก้าสิบแปดก็ต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ถ้าใครทำได้คล่องแล้วคือไม่เคยหลงเลยก็ต้องฝึกให้ชนานาญแล้วค่อยมาต่อขั้นกลาง ท่านรู้ว่าสุภาพสตรีผู้นั้นกําลังจะถามว่าบอกทั้งสามขั้นเลยไม่ได้หรือจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆตอบเสียก่อนที่หล่อนจะถามขึ้นว่าจะบอกทั้งสามขั้นไม่ได้เพราะจะทําให้โยมปฏิบัติไม่ได้จริงต้องมาให้อัตมาต ร, รวจสอบเสียก่อนว่าได้จริงหรือได้ปลอมยากจังเลยนะคะหลวงพ่อ สุภาพสตรีที่ชักจะไม่ค่อยสุภาพแสดงความท้อถอยอยากแท้แต่ไม่เคยท่านพระครูพูดลอยลอยแปลว่าอะไรคะหล่อนถามอนิโยมยายสอนอาตมามาตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กยังไว้ผมเปียอยู่ยายสอนว่าไอ้หนูเอ้ยอยากแท้แต่ไม่เคยถักเคยแล้วมันไม่ยากจริงไหม ญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้นยกเว้นด็ตอร์แผนตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจริงครับจริงค่ะท่านพระครูยิ้มสวยที่สุดในโลกอีกโบกมือแล้วก็พูดว่าช้าก่อนช้าก่อนอาตมาไม่ได้ถามโยมแต่ยายถามอาตมาตอนที่อาตมาเป็นเด็กแล้วกันพระเอกออกผิดคิวเสแล้วนี่เป็นคิวของตัวโกงต่างหากละ่ะ ท่านพูดยิ้มยิ้มและท่านจึงเล่าเรื่องอาจารย์คนที่มีเพื่อนเชื่อง่ายว่าต่อมาเพื่อนคนนั้นก็เป็นมะเร็งเขาก็ไปบอกพระที่เป็นเจ้าอาวาสเผื่อว่าท่านจะมียาดีมารักษาปรากฏว่าท่านไม่บอกยาให้แต่บอกว่าไหนไหนจะตายแล้วมีเงินเท่าไหร่ให้เอามาทำบุญให้หมดโยมคนนั้นก็เชื่ออะไรจะเชื่อง่ายถึงปานนั้น นี่ถ้าเป็นลูกหลานอาตมาจะเขียนให้ขาลายไปเลยนะดร์นะท่านพยักพเยิดกับดร์แผนบุรุษวัย45ประคองอันชลีตอบว่าครับหลวงพ่อเขาไม่รู้ว่าเกริยาอาการตลอดจนคำพูดที่เขาแสดงออกมานั้นช่างประทับใจสตรีสาวสวยคนหนึ่งซึ่งจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาหล่อนคิดว่าไหนไหนก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในสาม ขอเป็นชู้ทางใจก็ยังดีท่านพระครูรู้ความคิดข้องหล่อนหากไม่สนใจเล่าต่อไปว่าเพื่อนของอาจารย์คนนั้นก่อเชื่อมีสมบัติอะไรเก็บขายหมดเท่านั้นยังไม่พอโทรศัพท์ไปอเมริกาลูกกำลังเรียนใกล้จะจบก็บอกให้กลับด่วนแม่เป็นมะเร็งจะเอาเงินไปทำบุญไม่มีเงินส่งเรียนแล้วลูกก็กลับมา พ่อเขาก็เล่าให้ฟังเลยเขาก็พากันโกรธแม่โกรธเมียคือลูกโกรธแม่สามีโกรธเมียหรือภรรยาเรื่องลงเอยอย่างน่าเศร้าว่าเขาตายแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้ลูกกับสามีลูกต้องออกจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ใกล้จบสามีก็ไม่มีเงินส่งต่อส่วนอาจารย์คนนั้นตายไปไปลงนรกเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นพระองค์ทรงสอนให้พัฒนาจิตจะได้มาแก้บ่วงบ่วงก็คือปัญหาต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ตัดปัญหามีลูกก็ส่งเรียนให้เขาช่วยตัวเองได้เสียก่อนแล้วจึงออกจากบ่วงไปพระนิพพานได้เมื่อไม่แก้บ่วงไม่แก้ปัญหาก็เลยต้องแบกปัญหาไปเมืองนรกด้วยเพราะฉะนั้น ญาติโยมอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างพระเดี๋ยวนี้ก็เหลือเกินหากินด้วยการโปะปดมดเท็จ ต, ตลบตะแลงไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยถ้าผมเป็นลูกเป็นผัวของอาจารย์คนนั้นผมจะไม่ยอมเผาศพเลยแล้วลูกผัวเข้าเผาศพให้หรือเปล่าครับบุรุษหนึ่งพูดขึ้นแล้วลงท้ายด้วยการถามเผาสิไม่เผาจะให้เน่าเหม็นครุ่งคาบ้านหรือ นี่แหละญาติโยมจำไว้เราต้องศึกษาต้องเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงถึงจะแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักให้แจมแจ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรถ้ารู้ไม่จริงรู้ไม่แจมแจ้งก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกลวงโลกหวังเอาลาบอย่างที่เล่ามานี่แหละแล้วพูดกับสตรีววยเบญจเพศว่า สำหรับรายของหนูไม่ต้องกังวลนะให้หนูมาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วจะช่วยยายขึ้นจากนรกได้เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กก็เท่ากับเป็นทั้งยายเป็นทั้งแม่และหลวงพ่อจะช่วยอีกร้อยละยี่สิบให้หนูต้องทำให้ได้ร้อยละแปสิบเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วคะ่ะหลวงพ่อคะและพี่ชายหนูละคะเขายังโกรธยายอยู่ ไม่เป็นไรหนูแก้ปัญหาเรื่องยายก่อนเมื่อหนูทำได้หนูจะร่ำรวยเพราะแรงกระตัญญูที่มีต่อยายพี่ชายก็จะเอาอย่างบ้างไม่มีปัญหาถ้าเช่นนั้นหนูขอกราบลาจะรีบมาเข้ากรรมฐานค่ะต้องมาวันโกนใช่ไหมคะถูกแล้วมาวันโกนกลับวันโกนต่อไปไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัตินะหนูนะค่ะ หนูกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากค่ะหนูขอถวายปัจจัยซึ่งเป็นเงินของยายยายจะได้ได้บุญหล่อนประเคนซองสีน้ำตาลบรรจุ ป, ปัจจัยจำนวนห้าหมื่นบาทแด่ท่านพระครูกับพระหลอกลวงยายถวายไปตั้งยี่สิบล้านแต่กับพระดีมีแค่ห้าหมื่นบาทหล่อนคิดยังรู้สึกสังเวชใจท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าหล่อนกำลังจิตตก จึงให้กำลังใจหล่อนว่าบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรอกหนูยายถวายยี่สิบล้านแต่ไม่ได้บุญเลยส่วนเงินในซองอัตมาจะนำไปทำทุนค่าอาหารแกผู้เข้ามาปฏิบัติมีทั้งนักเรียนนักศึกษาตลอดจนข้าราชการที่มาจากกระทรวงะบวงกลมต่างๆรับรองว่ายายได้บุญเยอะ